หลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อสบายดียิ้มแย้มแจ่มใสที่ยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสพโยมน้อยโยมเป็นอยงบ้างสติเกิดบ่อยไหมใช้ไหมเนี่ยประทานโทษค่ะช่วยถามใหม่สติเกิดบ่อยหรือยังอ๋อก็บ่อยมากขึ้นเจ้าค่ะเห็นกิเลสเยอะไหมเห็นกิเลสเยอะไหมหรือไม่โฟลเลย ไม่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะไม่ได้ดูคือตอนตอนนี้ก็พยายามที่จะรู้ตัวว่าเผล่นะคะดูตรงนั้นค่ะตรงคําว่าเผลอกิเลสนี่แหละโมหะใจมันเผลอคือใจมันฟุ้งซ่านใจซ่านไปสู่อารมณ์อื่นๆลืมกายลืมใจใจที่ฟุ้งซ่านก็คือตระกูลโมหะงั้นเผลอบ่อยๆเราเห็นว่าเผลอบ่อยคือเห็นกิเลสบ่อยนั่นแหละ <น>ดีนะดีที่สุดเลยดูออกไหมเผลอวันเลยชั่วโมงหนึ่งกี่ครั้งได้๋ออไม่ได้นับหรอกค่ะถึงร้อยไหมไม่สิ้เช่อค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะว่าจริงจริงแล้วใจคนน้ามันเผลอทุกวินาทีสองวินาทีขยับไปและจริงๆก็คือจิตมันเกิดดับรวดเร็วมากเลยนพอเกิดดับแล้วส่วนใหญ่จิตที่เกิดขึ้นจะเป็นอกุศลจิตอกุศลเกิดบ่อย มันจะไหลว้บาบวาบ้าไปด้วยแต่ถ้าสติเราเร็วขึ้นนะมันไหลบา้าแต่นิดเดียวเราก็รู้สึกเลยรู้สึกล้ําทรงอยู่ได้ชั่วขณะเดียวจริงๆก็คือเจขณะจิตถ้าพูดแบบปริยัติจริงๆก็ชั่วแว บ, บเดียวเร็วเหมือนกระพริบตานะแล้วเคลื่อนอีกละขยั บ, บปับป๊บๆๆให้เราคอยรู้ใจที่หนีไปคิดนะให้รู้บ่อยๆเหนะ็นใจขยับขยับยบิ่งดี ยิ่งเห็นเยอะยิ่งดีสติก็เอาไว้อาศัยนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มีสติตลอดเวลาแต่ว่าเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะตัดตอนชีวิตของเราให้ขาดเป็นช่วงช่วงชีวิตของคนทั่วไปนะมีอันเดียวเลยคือหลงตลอดเลยตั้งแต่เกิดจนตายเลยหลงห ล, ลงไปทั้งวันกลางคืนก็หลงอีกกางวันก็หลงแต่พอมีสติขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นนะตะกี้นี้หลงไปตอนนี้รู้สึก แลเดี๋ยวก็หลงใหม่แลก็รู้สึกใหม่ชีวิตมันคล้ายๆขาดเป็นช่วงๆถ้าขาดเป็นช่วงๆเราจะเห็นเลยว่าประเดี๋ยวก็หลงปเดี๋ยวก็รู้จิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้ว ร, รักษาไม่ได้จะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลคือทั้งรู้ทั้งหลงเนี่ยล้วนแต่ไม่เทีย่ยนทั้งรู้ทั้งหลงล้วนแต่บังคับไม่ได้เสมอภาคกันเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติให้มีสติหรอ สติเป็นแค่เครื่องอาศัยเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีสติยัง ต, ตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมใจไหลแว บ, บไปแล้วก็คปรู้รู้ไปเร่ยเตรลํามจะเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เบื้องต้นก่อนจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยสติจะเกิดเกิดสติก่อนถ้าจิตเราจำสภาวะที่จิตไหลไปได้ไหลแวบบแบบเรารู้สึกแวบเรารู้สึก จิตมันจําสภาวะแห่งการไหลไปได้พอไหลปั๊บสติเกิดเองคือรู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกขึ้นมาแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้ละบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้จิตระลึกรู้ไปมากข้ามากข้ามมันจะเห็นทั้งกายทั้งจิตเนี่ยสแสดงไตร ล, ลักษ์ให้ดูนี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญาในการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยมีสองขั้นขั้นแรกทําเพื่อให้เกิดสติ หาดรู้สภาวะบ่อยๆเพื่อให้จิตรู้จักสภาว ะ, ะจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดเองต้องเกิดเองอันที่สองพอสติเกิดเองแล้วบางทีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆกายกับใจก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานี่จะมีสองขั้นตอนเรสติปัฏฐานตอนนี้ไปคิดทราบไหม กำลังคิดทบทวนสิ่งที่สร้างมาันใช่เนี่ยหลวงพ่อนั้นไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกจริงๆสอนให้ดูสภาว ะ, ฉะเฉลยเลยก็ได้ธรรมะพูดเหมือนกันว่ามีเยอะแยะจริงๆสิ่งที่ต้องการให้พวกเราเห็นคนะือสภาวะอย่างเราเห็นสภาวะที่จิตขยับกระเยื่นจิตไหลไปไหลามาเห็นสภาวะที่รูปเคลื่อนไหวเห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนไหวหารู้จักสภาวะ ถ้าพอรู้จักสภาวะแล้วสตินะจะเกิดเองเมื่อสติเกิดนะฮิริโอตัปะจะเกิดเวลาเราจะทําชั่วหรือเราคิดชั่วอะไรมันจะรู้สึกละอายละอายใจแล้วก็กลัวผลของบาปบาปมีผลเป็นทุกข์เวลาจะเกิดอินรียสั ง, งวรอัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไไะอะไรเนี่ยสติจะคอยรับรู้มันบันไบยินดียินร้ายขึ้นมาสติจะคอยรู้ใจก็จะเป็นกลาง จิตใจก็สงบสุขมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับกัฉะนั้นสิ่งที่มาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะมาเรียนทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเลยก็เพื่อให้เกิดสติหักรู้จักสภาวะเรียนเรื่องสภาวะถ้าเรียนอภิธรรมก็จะเรียนจากสภาวะธรรมเจตัวมีสภาวะธรรม7จบสตัวมีนิพพานหนึ่งอย่างมีจิตหนึ่งอย่าง จิตนี้เป็นสภาวะอันเดียวมีรูปสิปรูปรูปแท้ๆมีสิบปดรูปรูปเทียมๆมีอีกสิบรูปเราเรียนแต่รูปแท้18รูปเจตสิกห้าบสองตัวรวมเป็นสภาวะธรรมเจดบสตัวนี่เรียนแบบปริยัตแต่เราเรียนปฏิบัติเรหัดดูของจริงเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงเดี๋ยวใจก็ไหลไปคิดไหลไปคิดแต่ถ้าโยมสติเร็วโยมเห็นใจไหลไปคิดไหลไปคิดนะ ยังไม่เกิดโลภโกรดหรอกโลภโกรดมันเกิดตามหลังตอนที่หลงไปคิดสักพักหนึ่งก่อนนั้นโยมบอกว่าไม่ค่อยเห็นกิเลสคือไม่เห็นราคะโทสะก็ถูกต้องแล้วนะแลรัตติมันเร็วจิตมันเห็นโมหะซะก่อนเห็นจิตที่หลงพอเห็นจิตที่หลงจิตที่หลงดับไปปุบ๊บราคะโทสะเกิดไม่ได้ไปคิดตามแล้วทราบไหมเนี่ยที่หลวงพ่อถามไม่ใช่อะไรหรอก เพื่อให้ให้สังเกตสภาวะนั่นไม่ต้องคิดตามที่พูดออกนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดเป็นธรรมะเฉพาะตัวตัวใครตัวมันนะเดี๋อวของโยมก็มีสำธรรมะของตัวเองแค่หัดรู้จักสภาวะใจไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆหรืออย่างอื่นเข้าใจเองรู้ด้วยตัวเองนะแปลกมากเลยธรรมะเนะี้ยรู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆเป็นของแปลกไม่เหมือนวิชาทางโลกนะเรียนแล้วก็ต้องเรียนไป ศึกษาอะไรเยอะแยะแต่วิชาทางธรรมเนี่ยถ้าเราหันรู้จักสภาวะจนสติเกิดเองศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์จเกิดเองเนี่ยนีไปแล้วทราบไหมการอย่างนี้นะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้อมอยู่ตรงเนี้ยซ้อมมากๆตล้วเล่นสบายๆโ ย, ย, ยมเป็นไงโยมก็ รู้บ้างเล็กน้อยนะพระอาจารย์นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยรู้นะฮะโยมรู้จักใจลอยไหมเหมอใจลอยเป็นบ่อยมากอ๋อดีถ้าใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะนั่นแหละเรียกว่ารู้ครับคําว่ารู้เนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถรู้กายรู้ใจของเราถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นปัจจุบันนะรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเช่นเราเห็นสภาวะว่าใจมันลอยไป เรารู้ว่าใจลอยรู้ได้ถูกต้องคือเราเห็นว่าใจจะลอยเราห้ามไม่ได้มันห้ามมันไม่ได้ใจมันลอยมันไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ลงปัจจุบันหมายถึงว่าพอมันลอยไปปุ๊บเราก็รู้สึกรอยไปปุ๊บเราก็รู้สึกไม่ใช่เมื่อวานนี้ใจลอยวันนี้รู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นปัจจุบันเพราะงั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะเช่นใจลอยแวบไป สติรู้ล้ ว, ว่าใจลอยไปแล้วปัญญากเกิดขึ้นมาเห็นเลยจิตจะใจลอยเนี่ยห้ามมันไม่ได้ยมนึกออกไหมครับใจลอยห้ามไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ฝึกห้ามด้วยแต่ฝึกให้เห็นความจริงในวิปัสสนาเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เรียนทําอะไรที่เหนือธรรมดาเลยเรียนธรรมดาเรียนจนเห็นธรรมดาของกายธรรมดาของใจตัวธรรมดานั่นแหละตัวธรรมะ เราจะเห็นเลยธรรมดาของของใจเนี่ยนะใจจะชอบลอยห้ามมันไม่ได้ลอยแวบบแบบทั้งวันเราคอยดูไปต่อไปก็เกิดสองอันอันหนึ่งใจลอยอันนึงรู้สึกอันหนึ่งใจลอยอันหนึ่งรู้สึ ก, นนลนน ส, กสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลงไปแล้วก็เกิดรู้สึกว่าหลงเดี๋ยวก็หลงใหม่รู้สึกว่าหลงอีกจะซ้ำๆไปปัญญามันจะเกิดจะเข้าใจความจริงว่าจิตจะใจลอยนะห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวเนี่ยสั่งให้รู้สึกไม่ได้ รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้ดังนั้นจิตที่ใจลอยเป็นอกุศลกับจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นกุศลเนี่ยของไม่เที่ยงเหมือนกันของบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันเท่าเทียมกันนะไม่ได้ว่าจะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งแต่ว่าภาวนาไปในที่สุดสภาวะทั้งหลายเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันใจไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนไม่ปลุกแต่งใจก็สงบสุข ก็ตอนนี้ตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็วตื่นเต้นได้เรื่อยๆเมื่อไหร่จะหายก็เห็นว่าใจมันเผลอแป๊บนึงมันก็เผลอไปคิดนะฮะแป๊บนึงมันก็เผลอไปคิดตลอดเลยครับทุกวันนะครับไม่ได้ฝึกไม่ให้เผลอจำไว้นะไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกห้ามฟุ้งซ่านเอาสุขเอาสงบไม่ใช่ฝึกให้เห็นความจริง ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ดูให้เห็นแค่นั้นตรงนี้เราฝืนความรู้สึกนะเราปฏิบัติธรรมเราอยากมีความสุขเราอยากดีอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอยากดีอยากสุขอยากสงบการฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบอะไรนี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยแต่วิพัธสนาเนี่ยฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไมงนไม่สุขก็ได้ ทุกก็ได้สุข ก, ก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวนะสะงบฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวนี่ความจริงความจริงอยู่นี่ในสุดเห็นเลยสภาวะทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวถ้าโสดาบันรู้ตรงนี้เองรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปง่้คุณหมูเป็นไงใจลอยไปแล้วแล้วไงก็คือเห็นส่วนใหญ่ผมจะรู้แต่ว่าเผลอไปคิดเรื่องโ น, นเรื่องนี้แต่ว่า แต่ว่าไม่ค่อยได้รู้ว่าบัญชีเหมือนก็มีโทสะหรือมีเลยราคะหรือมันมันไม่ไม่ไม่ทันจะมีราคาโทสะเป็นลูกของโมหะราคะเป็นลูกของโมหะโทสะเป็นหลานของโมหะเอเนี่ยเชื้อสายของกิเลสนะคือทีแรกต้องหลงก่อนถ้าหลงกันแล้วก็ผูกพันเยผูกพันไว่นี่เป็นตัวเรานี่มีราคะนะ เป็นตัวเรารักใคร่หวงแหนอยากให้มีความสุขมีโลภอยากเขึ้นมาอีกพออยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยโทสะเกิดแล้วถ้าอยากแล้วสมอยากก็ราคะก็รุนแรงขึ้นเหมือนจีเกเลตมันมีนะเกเลตพ่อกเกเรตแม่ก็คือโมหะตัวหลงกิเลตลูกก็คือราคะกิเลตหลานคือโทสะมีมีลระดับนะโทสานี่กิเลสชั้นกระจอก กิเลสชั้นกะจบงั้นอย่างโยมที่บอกว่าเห็นใจไหลแวบๆบแบบไม่มีกิเลสตัวอื่นก็ถูกแล้วเราเห็นตั้งแต่โมหะมันไม่ทันงอกเป็นราคาโทสะวันนี้เป็นไงจิตเป็นไงวันนี้รู้สึกจะคุ้มซ่านเลกน้อยวันก่อนออกจากวัดแล้วก็ ไปเจอข้างนอกเจอกิเลสเจ้าค่ะอืมันก็มาทําไมอยู่วัดไม่มีกิเลสเนอะมันมีแต่มันไม่เจอแหล่งแหล่ไม่เจอเยอะเจ้าค่ะไม่เจอแหลงแหล่งในกลัวหลวงพ่อพอเจอปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็ไปจริงๆนะเขามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่พอไอ้ด้านความสุขบางทียังเพ้อเพ้อเพลินกับมันแต่ทุกมาเรามั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปเออดีแล้ว ดีที่เห็นสภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ภาวนาตอนนี้ดีกว่าคราก่อนนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านแล้วแย่กว่าคราก่อนนะรู้สึกไหมใจเราโปรงโปรงแล้วความรู้สึกตัวของเรานี่ชัดเจนโปรงโป ง, ปงชัดเจนแต่จิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องของจิตเรื่องของขันที่สําคัญก็คือใจเราเป็นกลางกับมันได้ไหมนะนั้นที่หลวงพ่อวัดการความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้วัด ที่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสตัวนั้นไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่นะถ้ามีกิเลสหรือมีความทุกข์ขึ้นมาจิตหวั่นไหวมีความสุขหรือมีกุศลแล้วหวั่นไหวนะก็แย่เหมือนกันนะตัวสําคัญก็คือไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวนะนะั่นแหละจิตเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้นนะท่านพุทธทาสท่านใช้คําว่าเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูรู้สึกไหม <c oughs> ลิ้นงูอยู่ในปากงูนะมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ ท่ากลางกองกิเลสเออเหมือนดอกบัวรู้สึกไหมเหม็นดอกบัวอยู่ในน้ําแต่ไม่ติดกับ น, น้ําเห็นสภาวะนี้แล้วใช่ไหมนั่นแหละภาวนาดีนะแต่ว่าดอกบัวนี้ยังยังมีดอกบัวอยู่ยังมีน้ําดอกบัวนี้ยังเหี่ยวได้อีกนะดอกบัวไม่จ้าว่าจะวิเศษแค่ไหนก็มีวันเหี่ยวว <c oughs> ันหนึ่งนะถอนดอกบัวทิ้งไปถอนทิ้งหมดเลย แล้วมีแต่ความสุขล้วนๆอนนี้ใจที่ไม่กกาะไม่เกี่ยวอะไรมีความสุขใจของคุณนาตอนนี้นะมันเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำบางทีน้าไหวยังกระชอกได้นะดอกบัวก็แปลงๆได้แต่ว่ามีความสุขอย่างนี้นะสงบอยูนะ่ภาวนาอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อไปคิดดูนะถ้าไม่มีดอกบัวเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนเนะีนะ่ยนะนะภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายไม่มีดอกบัวเนี่ย ตอนนี้มีดอกบัวอยู่กับน้ําแต่ดอกบัวอยู่กับน้ําไม่เพื่อนน้าอยู่กับโคลนไม่เพื่อนโคลนจิตใจของเราอยู่กับโลกอยู่กับขันนี่แหละขันนั้นไม่ปนเพื่อนเข้ามาเพราะจิตของเรามีสติสมาธิปัญญารักษาคุ้มครองไว้ใช้ได้ภาวนาดีอ่ะสองคนนี้ชื่ออะไรชื่ออ้อยอ้อยเยอะมากเลยวันนี้ แต่ธรรมดานาอ้อยมันขึ้นเป็นกกอเมื่อก่อนอมาฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วมีความสุขสติมันก็เกิดได้ค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่าพักหลังมันฟังธรรมะแล้วมันไม่เข้าใจ ม, มันอย่พยายามมั น, มน<จ>ไม่ทํางานแบบความคิดมันไม่ทํางาน มันเห็นว่ามันหลงมันเผลอแล้วมันก็ฟังพระอาจารย์พูดไม่เข้าใจไม่จำเป็นนะไม่จําเป็นต้องเข้าใจหรอกค่ะฟังไปเถอะถึงวันหนึ่งที่จิตจําเป็นต้องใช้ธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันจะขึ้นเองฟังไว้งั้นแหะธรรมะนี่นะฟังแล้วถ้ามันเข้าถึงจิตถึงใจเรานะมันเก็บไว้ได้นานนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านความจําดีท่านจําได้ตั้งแต่พศ สามร้อยก็จําได้ก่อนหน้านั้นก็จําได้แล้วเราเราพอศอนสามร้อยนี่อยู่กับอาจารย์อาจารย์ชื่อปียทัตสุจําได้แม่นนะอยู่ในปา่านี่อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังมันกินลึกๆเลยที่หน้าแข้งถ้านี่หายาหาใบไม้หาอะไรมาพอกนะยามารักษาไม่หายเพรออาจารย์ใกล้มรณาภาพนะนั่ ง, งร้องไห้เลยพระนี่อาจารย์ก็สอน ตอนธรมะมาประโยคหนึ่งแล้วฝังอยู่ในใจพระองคนั้นมาตลอดเลยบอกกายของเรากระสับกระสายแต่จิตของเราไม่กระสับกระสายเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้เศร้าโศกนะเรารู้เลยว่าอ๋อภาวนาไปนะสุดท้ายนะักขันนะ่ะมันกระสับกระสายไปนะแต่ธรรมชาติรู้นี่ไม่ไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยเฉะนั้นฟังฟังไปนะฟังแล้วไม่ต้องจำํำก็ไดนะ้เวลาภาวนาไปติดขัดนะ ธรรมะนี้จะผุดขึ้นมาสอนเราได้บางคนมีเสียงหลวงพ่อประกอบด้วยนะเอะมีเสียงประกอบบางคนมีหน้าประกอบด้วยนะถ้าเสียงประกอบนี่ยังสบายใจดูไป น, นะความีหน้าประกอบนี่นะ่าเกลงิงนะไม่เฉพาะ อ, อยู่ที่ที่วัดนะอยู่ที่บ้านพอเห็นหน้าประกอบนี่นก็จะเกลิงขึ้นมาแล้ะใครๆเป็นมัน่งใครๆมีเสียงผุดมั่งเยอะแยะ หลวงพ่อบอกแล้วหลูกพ่อไม่ค่อยมีคนอ่านหลูกพ่อสอนธรรมะด้วยใจนะไม่ได้สอนด้วยปากไม่ได้สอนด้วยเสียงให้เข้าหูหรอกแล้วธรรมะเนี่ยเข้าไปสู่ใจถึงข้าวจาเป็นมันจะขึ้นมาอยู่แต่ถ้าใจเปิดรับนะถ้าใจดือ้อใจล้านใจเป็นบัวอะไรนะเรียกอะไรชาล้นถ้วยมันรับไม่ได้หรอกตรงไนจิตตอนนี้ก็ไม่เหมือนตะกี้รู้สึกไหม โมหาน้อยกว่าเมื่อกี้ดออกไหมอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็หายพวกเรายินสีีย่างอ่อนคล้ายๆ้ายดาวฤกษ์นะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็แสงจ้าหน่อยโคจรไปห่างๆก็ริบรี่ริบรนะ <c oughs> อีกหน่อยภาวนาหน้าก็กลายเป็นดาวฤกษ์ช่วงนี้ก็ รู้สึกว่าสภาวะมันขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็สวิงน้อยกว่าเมื่อก่อนเมืม่อก่อนมันจะสวิงแรงสภาวะสวิงไม่เป็นไรแต่จิตอย่าสวิงก็แล้วกันเนั้นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรนะจิตรู้ทันไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางใช้ได้ละเราภาวนาไปเรื่อยๆในสุดจิตเราจะเป็นกลางกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจิตก็ทรงตัวอยู่เฉยอย่างนั้นนะมีความอิ่มมีความเต็มไม่ดิน้นไม่หิว สภาวะทั้งหลายก็ไหลามาไหลไปตามหน้าที่ของสภาวะใจเป็นกลางมีความสุขแค่ใจเป็นกลางมีความสุขกับสภาวะก็มีความสุขเยอะแล้วนะออวางใจลงไปมันสุขขนาดไหนนึกไม่ออกเลยนะ เ, ออเหมือนธาตุขันมนุษย์มันจะรับไม่ไหวแล้วไงแล้วไงพิ่ชัยรู้สึกไหมโมหะลดลงแล้วออถือไม้ไว้ก็โมหะลดได้นะไมวัดนี้ขลังนะ เอาไปห้อยได้นะเรียมแนละ้วห้อยเอาแต่ก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเกิดราคะท่านไปเอากระดูกช้างมาห้อยคอท่านซึ่งเอากระดูกคนมาห้อยมันเล็กไปมองไม่เห็นเอากระดูกช้างมาห้อยแล้วท่านฉันหมากพนะ่าโบราณบ้วนน้ำหมากนะเปื้อนกระดูกช้างเหมือนหมกูกระดูกเปื้อนเลือดชาวบ้านเห็นแล้วกลัว ไม่กล้ามายุ่งกับท่านเลยนะท่านภาวนาสบายมากเลย <c oughs> บอกพ่อว่ต้องหัดทำบ้าบ้าบบบ้างแล้วแต่วันเหนื่อยแล้วเกินดีและ้ะใช้ได้สองคนดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะแล้วใจค่อยตั้งมั่นแล้วรู้สึกบางทีมันจะจงใจปฏิบัติอะเจ้าค่ะก็บางทีสติที่เกิดก็เลยแบบรู้ว่าแบบมันแกล้งทำอะเจ้าค่ะ <c oughs> อะดีที่เห็น มันแก้งน้อยลงแล้วรู้สึกไหมมันยังไอ้ความจงใจอ่มันทําให้ใจเราทื่อๆอยู่นิดนึงตัวนี้ที่วันก่อนมาขออยู่วัดที่หลวงพ่ อ, อยังไม่ให้อยู่อ่ะไม่ได้ลําเอียงนะดูออกแล้วใช่ไหมมันทําให้เราไม่ตื่ น, นเพราะใจเราจะไปเกาะทือๆไว้งั้นแนหะแต่ว่าตอนวันนี้ตื่นมากกว่าเมื่อวัน น, น, นั้นละดูออกไหมถ้าวันนี้จะขอก็ขอซะนะเ <c oughs> อะออะเป็นไง ตอนออกไปอยู่กับทะเลสาวันนะคะหลวงพ่อมันก็เห็นว่ามันตรงแต่งสองอย่างอันแรกคือหลงไปกับสภาวะกับสองพอพอเห็นสภาวะแล้วใจมันจะขยับนิดนึงพอเรารู้ทันมันก็หายไปแล้วก็ตัวที่กิเลสที่มันเกิดบ่อยคือพอจิตมันระลึกรู้สภาวะปุ๊บมันจะคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็ขยับเป็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทั้งวัน แต่กิเลสเนี่ยเป็นของแปลกนะเล่นกับมันไม่ได้นะบางคนไปหยอกหยอกกิเลสนะหยอกหยอกกิเลสเล่นเล่นกับมันนะเล่นเล่นกับมันถึงจุดหนึ่งเหมือนผี่ดิบนะเอาไม่อยู่นะถูกมันครอบงำสู้มันไม่ไหวหรอกอย่าว่าแต่ปุถุชนเลยนะถ้าโสดาพระองค์ประมาทนะไปเล่นเล่นกับกิเลสทําเป็นไปรักคนนี้ใหญ่แย่ไปรักเล่นเล่นแล้หลังหลักรักจริงๆนะ เล่นกับมันไม่ได้นะต้องมาเดือดร้อนเราแก้ให้อีกเอาๆดินก็ยังมีถลำไปด้วยแป๊บหนึ่งนะโยมเบอร์สิบอะเมื่อกี้ทำอะไรเสร็ตับฝึกพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกก็ยังเป็นสภาวะไม่เกี่ยวกับกำหนดนะกำหนดนั่นแหะตัวอุปสรรคเลยตัวอุปสรรคเพราะมันเป็นโลภะ เราอยากปฏิบัติเราถึงกําหนดที่สําคัญพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนกําหนดเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสอนง่ายๆนะสอนอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยสอนอริยสัจสอนสติปัฏฐานสอนอะไรเงี้ยสอนทำมาจากสอนอะไรเงี้ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆแต่ว่าเราไปดูในพระไตรปิฎกมีแต่เรื่องอย่างเนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าให้หายใจกี่จังหวะ ให้เดินกี่จังหวะให้ขยับมือขยับเท้าขยับท้องกี่จังหวะลมหายใจมีกี่ฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยอาจารย์ชั้นหลังเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจนพะรุงพลังขึ้นมาเยอะแย ะ, ยะเลยแท้จริงมันเป็นอุบายเฉพาะตัวเท่านั้นแหละแต่ละคนมันก็จะมีทางเฉพาะตัวของตัวเองนั้นเรียนหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจเราก็หาทางเราจะพบทางที่เหมาะกับตัวของเราเอง อันใดที่ทำแล้วสติเกิดบ่อยนะเราก็เดินทางนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปนะพระเจ้าถึงไม่จัดคอร์สฟังทำเสร็จแล้วไล่เลยโน่นโคนไม้นี่เรือนว่างนีภูเขานี่ถ้ำนี่ป่านี่หลอมฟางท้องทุ่งท้อ ง, องนาไปภาวนาเอาท่านไม่เคยสอนนะว่าอนาปนสติว่าต้องลมกระทบตรงไหนบ้าง ท่านบอกพิสูุทั้งหลายให้ครู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำงํำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวทําแค่ที่ท่านสอนพอแล้วของเราบางคนน่ยต้องเอาจิตตั้งไว้ตรงไหนก่อนที่จะไปรู้ลมเลยคิดมากแล้วรู้ลมแล้วต้องรู้ตั้งแต่กระทบที่จะงอยปากที่ปลายจมูกที่เพดานที่คอที่อกที่ท้องไล่มีฐานเยอะแยะเลย ไล่ที่เกินที่พระพุทธเจ้าสอนหรือท่านสอนพิสูจทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่หมายถึงว่ารู้ว่าสิ่งที่เดินเนี่ยไม่ใช่เราเดินรูปมันเดินรูปมันเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเดินมีกี่จงัจงหวะหกเจ็ดจังหวะอะไรไม่มีไม่ได้สอนนะหรือขยับไม้ขยับมือนะหลวงพ่อเทียนท่านพัฒนาเทคนิคมี้สิบสี่จังหวะขยับ นี่อุบายเฉพาะตัวท่านใช้ได้นะดีด้วยเป็นอุบายที่ดีด้แต่ลูกศิษ์ก็ชอบไปเพ่งใส่มือพระ เ, เจ้าสอนแค่ว่าพิสูจน์ทั้งหลายนะเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาเมื่อก้าวไปเมื่อถอยหลังเมื่อคู่เมื่อเหยียดเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดอะไรเนี้ให้มีความรู้สึกตัวสอนแค่นี้เองเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาเมื่อขยับตัวอะไรนี้ให้รู้สึก ก้าวไปถอยหลังให้รู้สึกไม่ได้มีจังหวะของการก้าวจังหวะขางการถอยไม่ได้มีว่าจังหวะแต่ละอันนี้แต่ละสเต็ปนี้ต้องทำอะไรบ้างไม่มีอาจารย์รุ่นหลังสอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถามว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นหรือท่านไม่ใช่สอนไม่เป็นแน่นะสัพพัญญูอย่างนั้นแต่ท่านบอกท่านสอนใบไม้หนึ่งกมือสอนสิ่งที่จาเป็นนั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่นคือสิ่งที่ไม่จาเป็น ไม่เพียงแต่ไม่จําเป็นมันยังเฟื่อด้วยมันจะทําให้เราหลงไปติดที่รูปแบบจนกระทั่งลืมแก่นสารที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนนะการภาวนาจะไม่มีคนบ้านะไม่มีคนบ้าไม่มีคนเครียดหลังเครียดคอเครียดอะไรเงี้ยเครียดจัดเป็นโรคจิตไม่มีจะ ม, มีแต่ว่ารู้ตื่นเบิกบานมีความสุขมีความสงบทั้งสุขทั้งสงบนะรู้สึกไหมทั้งสุขทั้งสงบ มีแต่ความเบิกบานแต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรสงบใจสงบตั้งมั่นมีความสุขไม่เครียดพวกเราภาวนาเกินสิ่งที่พระเจ้าสอนเลยเครียดหลายคนภาวนาจนบ้านนะบ้าเยอะเลยบ้าทำสิ่งที่ท่านไม่ได้สอนนี่ถ้าเรายิ่งเป็นนักเผยแพร่จนะต้องระมัดระวังเผยแพร่สิ่งที่พระเจ้าสอน อย่างตอนหลวงพอพูดธรรมะใหม่ๆนะคนไม่ฟังนะไม่เชื่อนี่บางคนเชื่อค่อยๆฝึกไปสอนอริยสัจสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนสติปัฏฐานสอนอะไรธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้สอนว่าให้นั่งท่าไหนเดินท่าไหนหายใจท่าไหนไม่เคยสอนเลยคนมาถามว่าเดินจงกรมท่าไหนจะบอกพ่อแม่สอนให้เดินไงก็เดินงนั้นแหลนะพ่อแม่เราเป็นครูที่ดีที่สุดของเราละ พ่อแม่เราเป็นพระอรหันต์ของเรานะสอนเดินอย่างนี้เราก็เดินอย่างนี้แต่เดินด้วยความรู้สึกตัวต่างกันนิดเดียวไม่ได้เส็จแส้แกล้งทำอะไรเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินไปเดินด้วยความรู้ชัดด้วยความรู้แจ้งว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะรูปมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูเท่านั้นเนี่แยกรูปแยกนามแยกอะไรนะท่านฟังขลงอ ฟังหลวงพ่อไปเรืเร่อยๆภาวนาจิตใจรู้ตื่นเบิกบา น, นมีจานวนเป็นพันละตอนนี้เยอะแยะที่ภาวนาได้ดีดขึ้นมาน <ๆ S 1> เอาตัวรอดไปก็มียังปลุกโผล่ๆอยู่ก็เยอะหลังๆนะไม่ค่อยได้ยินนะปกติไม่ค่อยได้ยินคนมาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนผิดไม่ค่อยกล้าเถียงกับหลวงพ่อนะหลวงพอมีตารายืนยัน นี่ปริยัตเขาว่าอย่างงี้นะพิธรำเขาว่าอย่างนี้นะรรมนนะไม่ค่อยมีใครกล้าเถียงด้วยนะว่าสอนผิดนะแต่ว่าพูดอยู่เหมือนๆกันนะหลายๆสำนักเจ้าสำนักทั้งหลายชจ้าพูดเหมือนกันหลวงพ่อประโมทสอนถูกแต่ยากเกินไปนธรรมะสูงเกินไปต้องมาทําเบสิกอย่างของอัตมาหรือของดิฉันบอกก่อนต้องทําเบสิกอย่างนี้ก่อนแล้ววันหนึ่งถึงจะทําอย่างหลวงพ่อประโมทได้ ว่าสิ่งที่หลวงพ่อประมทยสอนนี่ยากเกินไปสอนอริยสัจยากเกินไปลืมไปนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจกับคารวะสอนอริยสัจกับคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะเลยมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะเวลาท่านสอนอริยสัจคนที่ไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเลยสอนอย่างคนแรกเลยที่เรียนคือพระยศยศกุลบุตรออกจากบ้านมา อ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยต่อนะ <c oughs> แล้วเตือนนะเพราะว่าธรรมะของพ่อจบแล้ว <c oughs> จบเลยลืม <c oughs> ไม่เคยเตรียมการสอนนะเราสอนกันด้วยใจจริงๆเลยใจของคน